ข้อที่9รักประชาชนตอนหนึ่งที่พระองค์ท่านรับสั่งให้ผมไปจดมูลนิธิชัยพัฒนาผมไปที่สาลาว่าการกรุงเทพมหานครเองเราไม่อยากใช้อภิสิทธ์อะไรทั้งสิน้นเพราะยิ่งอยู่ใกล้เจ้านายยิ่งต้องทำตัวให้ธรรมดาตามรอยเบื้องพระยุคลบาตก็ไปแจ้งเหมือนบุคคลธรรมดาทั่วไป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 จงรู้ว่าจะใกล้ไกลเป็นรูปที่มีทุกบ้างด้วยความรักด้วยพักดีด้วยจิตใจ